เราไม่เคยหยุดคิดตอนเราหลับเรานึกว่าเราเลิกคิดไม่ใช่ตอนเราหลับเ น, เเ น, เบนี่จิดตกรวังแวบเดียวนะี้จะไต่ขึ้มันนิดหนึ่งแล้วเคลื่อนอยู่ข้างในคือคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าฝันฝันบางทีก็รู้เรื่องฝันบางทีไม่รู้เรื่องนะพอตื่นขึ้นมาเราตื่นแต่กายใจเราก็ยังฝันอยู่ฝันก็คือคิดนั่นแหละนะพอตื่นขึ้นมาเราก็ฝันบางครั้งก็ฝันรู้เรื่องใช่ไหมคืงคิดอะไรนี่รู้หมดเลย บางครั้งฝันไม่รู้เรื่องคิดอะไรก็ไม่รู้ใจลอยๆเลอะๆเถอะ ๆ, ๆไปตื่นจะหลับเนี่ยนะก็คือหลับเหมือนกันไม่ได้ตื่นจริงนะจิตที่ตื่นคือจิตพุททะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตผู้ไม่หลงนั่นเองเป็นผู้ตื่นขณะนี้เป็นอะไรล่ะอันเนี้ยนะไม่ตื่นนะ จิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเห็นไหมจิตที่รู้ตัวอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตไหมไม่คิดอะไรหรอกรู้สึกเฉยเฉยเงั้นพยายามรู้สึกตัวหมายถึงพยายามรู้สึกตัวก็ไม่ได้พูดผิดอย่าพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั่นการปฏิบัติเนะี่ยเข้าใจยากนะเพราะอะไรเบื้องหลังความพยายามคือโลภะยาก อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้หน้าที่รู้ให้ทันว่ากําลังอยากทันทีที่รู้ทันนั่นคือปฏิบัติแล้วหลวงปู่มั่นสอนอาตมาไม่ทันหลวงปู่มั่นเกิดมาท่านก็สิ้นไปแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อๆมาท่านสอนบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนนะว่าทำสมาธิมากทําความสงบมากเนิ่นช้า เป็นเกศไม่เด่นนี้เราแข่งกันนั่งสมาธิใครนั่งนานเก่งใช่ไหมภูมิใจแล้วนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี้ยิ่งดีใหญ่หลวงกุ ม, มั่นบอกนั่งทําสมาธิมากเนิ่นช้าท่านพูดประโยคต่อไปคิดพิจารณามากฟุ้งซ้างนของเราบอกอคิดเธอคิดไปเป็นวิปัสนาโลกงปูเทพบอกนั่นไม่ใช่วิปัสนาแล้นั่งคิดอต้องรู้ารู้สภาวะหลวงปู่ ม, มั่นสอนตอบอกว่า สิ่งสาคัญที่สุดของการปฏิบัติคือการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันมีสติคืออะไรไม่หลงไปไม่เผลอไปนะไหลไปในโลกของความคิดก็ขาดสตินะเนี่ยไปละวรู้ไหมพอไปแล้วมันเครียดขึ้นนิดนึงในใจเราแม้เราเกิดทุกข์ขึ้นทุกครั้งที่จิตส่งออกไปยึดอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีดีคือธรรมะก็ออยังเครียดนิดนิด ท่านถึงสอนบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันเดินจะเดินวินคบาเดินไปทําอะไรก็ตามเดินขึ้นเขาลงห้วยหรือเดินจงกลมต้องเดินนียความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่เดินนั่งเพ่งหรือเดินใจลอยจะนั่งนั่งสมาธิหรือนั่งฉันข้าวหรือนั่งอะไรก็ต้องมีสติท่านสรุปบอกว่า มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรสังเกตไหมเราสมมุติเราไปเดินจงกลมนะงุดงดุงดงดนะแข่เงเท้าอยู่เนี้ยเราไม่ได้มีสติหรือเดินเดินเดินไปนะใจฟุ้งไปที่อื่นก็มไม่ได้มีสตินะเดินไปห้าชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติเลยการปฏิบัติจะเกิดขึ้นตรงที่เรามีสติรู้ทันใจเราหนีไปทางไหนรู้ทันมันใจไปเกิดเป็นตัวอะไรรู้ทันมัน เป็นตัวอะไรล่ะรอบนี้เห็นไหมรู้แล้วเห็นไหมเนี่ยระวันบบงนะเราเราติ๊กติ๊กติ๊กดูสิติ๊กอยู่ช่องเดิมนั่นแหละเห็นไหมนะตอนนี้เราได้ติ๊กอีกช่องพิเศษละช่องนี้คือช่องที่จะไปโลกุตตะละไม่ใช่ช่องที่ไปพบภูมิ ช่องของความรู้สึกตัวของความตื่นไม่ใช่ช่องของการหลงแล้วก็ไหลเข้าไปในโลกต่างๆอยากจะข้ามโลกอยากได้โลกุตระต้องรู้สึกตัวตอนรู้สึกตัวนี้ความปรุงแต่งจะขาดพอหมดความรู้สึกตัวใจก็จะหลงไปคิดนึกปรุงแต่งเราอยากได้นิพพานคนข้าวัดอยากได้นิพพานทุกคนแหละแต่เราไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร สมมติว่าผ่านนี้เป็นนิพพานนะแต่เราไม่รู้จักอยู่ตอนหน้าเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้จักนิพพานคือสภาพธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งเป็นวิสังขารธรรมคพ้นความปรุงแต่งเราอยากรู้จักนิพพานจิตของเราต้องพ้นความปรุงแต่งให้ได้จิตของเราปรุงแต่งตอนไหนล่ะตอนหลงตอนหลงอวิชชาเป็นปัใจจัยให้ปรุงแต่งอวิชชาปัจจยาสังขารา เห็นไหมเวลาหลงอย่างขนาด น, นี้หลงก็จะไปคิดเอาใช่ไหมแวบไวทัตลอดเวลาไม่ห้ามนะวิธีฝึกไม่ห้ามห้ามแล้วต้องประสัดจิตเออพราะว่าอะไรเพราะเราต้องหลงตลอดเวลาเนื่องจากเราไม่ใช่พระอรหรันนะมีแต่พระอรหรนะันนั้นถึงจะไม่หลงอย่างนั้นพอเราแวบไปแล้วนะแต่ต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัติคือเขาแวบไปตั้งแต่เชา้าถึงเย็นเลย ของเราแวบไปเรารู้แวบไปเรารูหนีออกทางนี้รู้หนีออกทางนี้รู้รู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ฝึกตัวไว้รู้สึกตัวขึ้นมาอย่าน้อมใจเข้าหาความนิ่งสัง เ, เกตไหมว่าความฟุ้งซ่านไม่มีความหมายแล้วจิตทําไมสงบได้เพราะจิตไม่หลงไปตามความฟุ้งซ่านจิตมารู้ฝึกตัวอยู่ เพรา้นพยายามรู้สึกตัวไว้ความฟุ้งซ่านไม่มีความหมายอะไรเลยในจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าจิตฟุงงฟ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไหท่านไม่ได้สอนบอกจิตฟุ้งซ่านให้หาทางแก้ไขเสีย ม, ไมไีไม่แก้ไขไม่มีจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาท่านไม่ได้สอนบอกจิตมีราคาให้รีบแก้ไขเสีย ถ้าจิตยังไม่มีราคาให้หาทางป้องกันอดี๋ยให้ราคาเกิดนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นข้าพเจ้าสอนเองนึกเอาเองงั้นจับหลักของการเจริญสติให้มั่นๆ น, นะหลักของการเจริญสติคือไม่เผลอรู้สึกตัวไว้เยพอเรารู้สึกตัวได้เราจะรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นจิตไหมเวลาเผลอเนี่ยกายเราก็หายเหมือนร่างกายหายไปจากโลก สุขทุกก็หายไปนั่งเมื่อยอยู่เนี้ยแต่พอเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะไม่เมื่อยแล้วความเมื่อยเวทนาอย่างหายเลยกุศลอกุศลนะเกิดขึ้นแต่จิตก็ไม่รู้เนะี่ยจิตอยากจิตยึดหรือไม่ก็ไม่รู้นี่กายเวทนาจิตทําหายหมดเลยเวลาเผลอเพราะฉะนั้นมีหน้านที่อันเดียวไม่เผลอเผลอไม่นานเผลอพองนามาเนี่ยเผลอยาวๆไม่งาม ไม่บังคับนะตอนเนี้ไม่ได้บังคับเห็นไหมไม่บังคับไปมันมันจะเป็นลิงเป็นข้างให้มันเป็นเราก็ใส่ไว้ีช่องพิเศษช่องลิงติดโซนหรือว่า น, นะใสนะล่ลองไปทํำดูนะเราสนุกดีเงาใส่สักชั่วโมงหนึ่งห <c oughs> นีไปละ <c oughs> เห็นไหมทําไมหนีบ่อยเรารู้นั่นแหละ เรียกว่าวิปัสสนานะการรู้ตามความเป็นจริงแต่เดิมหนีไหมหนีนแต่ไม่เคยรู้นั่นไม่ใช่วิปัสสนาไม่รู้ตามความเป็นจริงยิ่งตอนที่ไปทําสมาธิน้อมใจเข้าไปเกาะอารมณ์มันเดยอนะนั้นหลงอยู่นะไม่รู้หรอกหลงอยู่ไม่รู้ว่าหลงอยู่จิตประกอบด้วยโมหะหรือถ้ามีความสุขขึ้นมามีราคะครูบาอาจารย์บัญทีท่านเขาเรียกโมหสมาธิบ้าง เป็นมิจฉาสมาธิมันงจิตจะมีโมหะมีราคะแทรกอยู่แต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้เราก็จะช่วยตัวเองได้เหมือนคนที่รู้ว่าไฟไหม้มาละลามมาละ่ช่วยตัวเองได้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวเรานอนหลับไฟลามมาจนถึงเตียงนอนยนี่ยไม่ตื่นเลยอย่างนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นมีหน้าที่ตื่นตื่นบ่อยๆ ทำท่าตื่นแตใจหลับก็ไม่ได้นะฝันแล้วรู้ไหมต้องตื่นอย่างนี้นะสังเกตไหมมันจะหนีไปฝันหรือเปล่าหนีหนีเรื่องน่ะ น, น, น, นั่นคือฝันนั่นเองคือหลงนั่นเองนะคือหลงยกเว้นเวลาเราทำงานทางโลกนะทำงานทางโลกเราต้องคิดมีหน้าที่คิดต้องคิดข้าไปเลยคิดด้วยความตั้งมั่นด้วยความสงบ คือ จ, จริงๆแล้วพยายามแยกกันซะการเจริญสติจริงๆถ้าจะเอามรักเอาผลเนี้ยต้องเข้ารู้ลงไปเลยแต่ตอนที่เราไปทำงานหรือเราจะแก้ปัญหาต่างๆเราต้องใช้ความคิดตอนนั้นต้องคิดด้วยสมาธิ ใ, ใจสงบแล้วไปคิดเอาจดจ่ออยู่ในเรื่องที่คิดคิดคิดคิดไปพอบางทีเมื่อก่อนเราจะมาทำงานเี้ยวันวั น, นึงต้องทำงานเครียดเคียดเยอะ จิตใจจดจ่ออยู่กับงานพอนานๆสองชั่วโมงแล้วชักเบื่อเบื่อไม่ใช่งานขี้เกียจไม่ใช่งานงุดหิดไม่ใช่งานสิ่งเหล่านี้เกิดเนี้ยสติรู้ทันนี่เราปฏิบัติกันตรงนี้พอใจิตใจรู้ทันว่าขี้เกียจแล้วเบื่อแล้วเห็นลงไปมันดับมันดับไปใจิตใจสงบทำงานด้วยความสงบต่อมีความสงบในการทางานมีสมาธิในการทางานนันเอง แต่เซนสมาธิออกนอกนะสติก็สติออกนอกดอกงานสติออกนอกก็เรียกมิจฉาสติถ้าถือว่าของดีไม่ใช่ของเลวนะเป็นมิจฉาสมาธิก็ยังดีถือว่าดีไม่ได้ไปทําชั่วยังไง เ, เกิดเป็นอะไรพืชตรงนะกรรมไม่ขอรับชั่น ลองตลิกไปเรื่อยนะลองพลิกในใจเราก็ได้ไม่ต้องนับจริงๆอ่ะเดี๋ยวตกใจมันน่าตกใจค <c oughs> ิดไปแล้วรู้ไหมนะรู้ให้ทันใจมันลงไปแล้ว <c oughs> พบชาตินะเกิดดับเกิดดับเกิดดับถียิบเลยแต่ไม่ใช่ของรู้ไม่ได้นะอย่าตกใจนะ มันเป็นแบบเพียงแค่ของแปลกเท่านั้นนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยเอาเรื่องอย่างนี้มาสอนจำแต่ถ้าเราศึกษากับครูบาอาจารย์จริงๆถ้าป่ารุ่นสอนก่อนท่านสอนอย่างนี้อย่างกลางคืนเราไปนวดท่าเ น, นี่ยนวดนวดนวดใจเราเผลอไปคิดเรื่องอถุงดา่ดาแล้วถุงด่า นีครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ได้สอนอย่างที่อาตมาสอนเพราะว่าพลังหลังท่านก็แก่ๆไปแล้วท่านสอนไม่ไหวเมื่อตอนนี้อาตมาทํางานอยู่สภาความมั่นคงไปอบรมสถาบัจิตวิยาความมั่นคงตอนไปภาคเหนือเนี่ยไปกับเป็นชณะไปกับหมอท่านหนึ่งหมอผู้หญิงเป็นในพันเอกเึ่นไปกราบหลวงปู่สิม หลวงปู่สิมก็เทศเทศเทศนะที่หมอทรงพูนเนี่ยใจขึ้นนึกถึงโอ้ท่านเทศดีจังถ้าลูกสาวเราซึ่งเรียนอยู่อเมริกานีได้ฟังเทศเนี่ยนะจะดีมากเลยถ้าลูกได้ฟังดีดีเนี่ยเสียดายหลกงปูถสิมหยุดกึกเลยหันมาหาที่หมอทรงพูนอะไรฟังเทศแทนที่จะให้มีสตินะไปห่วงลูกถึงอเมริกาโอ้พี่หมอทองพูนเป็นช็อ แกนั่งสนมืองี้แกค่อยๆชันเข่าขึ้นมาค่อยๆยืดตัวขึ้นมาแนละ้วแล้วก็มายืนดูหลวงปู่นั่นกูอาจารย์สอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลงี้ท่านสอนละอยู่ในห้องท่านเสร็จ แ, แล้วมีโยมมาท่านบอกอให้ทำไปท่านจะไปรับแขกลูกฝิ์อยู่ในนี้้อูอาจารไปแล้วสบายแนละ มีพลาดบางคงก็สนให้จิตของหลวงปู่เนี้เวลาไปรับแขกนี่ท่านจะหลงบ้างไหมนะกำหนดจิตไปดูเห็นหลวงปู่ตาเฉีปัดเลยนะพอแขกไปแล้วกลับมานะทำเป็นนั่งเรียบร้อยถูกเฉ่งเละเลยโดนเฉ่งทั้งห้องเลยนะไม่ว่ากระดิกไม่ได้เผลอไม่ได้ฝึกให้ไม่เผลอฝึกให้ตื่นตัวทำไมครูบาอาจารย์ดูโหดร้ายทารุณ ท่านต้องการให้เราตื่นตัวอย่างที่บัานตอดเมื่อกี้ไม่ทราจะกระดูกระดิกเร็วเพื่อนไหวเร็วเดินทุกบทุกทุบหลวงตาบอกให้เขย่าวไว้รู้สึกตัวไว้ส่วนมากเลยทุกับทุบทุบเลยเผลอทุบทุบไปเลยทุบทุบไปงั้นใจเผลอนอย่างงั้นก็ใช้ไม่ได้เหลือแต่รูปแบบนั้นจริ ง, รงๆเราต้องตื่นตื่นเป็นยังไงตื่นคือไม่หลง ไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห่างตอนนี้หลงทางใจเป็นเจนไหมมันหนักกับเบาไม่เหมือนกันตอนลงไปหนักเพราะอะไรเพราะไปแบกไปแบกขันไว้แบกสังขารขันไว้หนักตอนรู้สึกเราไม่ได้แบกไม่หนัก ใครมาเรียนการสมานะครั้งแรกๆเยอะเลยสารภาพบอกกลับไปหัวแทบแตกบางคนมาบอกว่าหาทางออกจากวัดไม่เจอนี่คนหนึ่งเรียนการสมานาต้องอึดมากๆเลย เพราะเราจะต้องเรียนอะไรที่ไม่เคยฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะจิตของเราไม่ใช่จิตผู้รู้แต่เป็นจิตผู้หลง<อ>เราไม่ใช่จิตผู้ตื่นแต่เป็นจิตผู้ฝันอยู่เราไม่เบิกบานอะ่ะเพราะเราแบกอะไรต่ออะไรไว้เต็มเลยอย่างขนาดนี้มันแบกลนะ ลืมไปแล้วรู้ไหมหลงไปในโลกของความคิดรู้ไมเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่ยอมหลุดออกมาทราบไหมอึดอาด อ, อย่างนั้นน่ะเป็นเห็นไหมว่ามันอึดอันสงสัยรู้ไหมจิตกำลังสงสัยรู้หรือสปล่าลองดูให้ดีนะ <c oughs> พยายามจะดูรู้ไหม คือสภาวะธรรมนี่นะจะเกิดดับทีหยิบเลยนะถ้าเรารู้สภาวะตรงตรงมันแทะเลยนะเราจะถึงฉับพลันถ้าเรารู้ตรงสภาวะที่กําลังเห็นจิตของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนนี้ยังเป็นผู้คิดรู้ไหม ย, ยังเป็นผู้คิดแล้วเรายังไม่หลุดออกมาพี่อาตอมาบอกว่ายังไม่ตื่นออกมายังไม่หลุดออกมาจากโลกของความคิดเนะี่ยตอนนี้ไม่หลุดสังเกตไหมตะกี้หลุด ตอนนี้อยากพูดรู้ไหมเป็นแรงตนะับไหมมันตักไปแล้วที่มีแรงดันเพิ่มขึ้นมาต้องรู้ให้ทันมันอไอ้ออไอนั่นต้องคิดอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้จะมาเลยขั้นปริยัติมาแล้วกำลังมาไล่ทางปฏิบัติแล้วให้รู้สภาวะลนะเลิไปแล้ว จำจิดตรงนี้ไว้นะจิดตรงนี้และผิดจำไว้นั่นเดี๋ยวพอมันถูกแล้วลองนึกเทียบดูมันหนักกว่ากันเยอะเลยมันอึดอัดทราบไหม <c oughs> คือที่ไม่ทราบทราอะไรนียังยังไม่เห็นอีกตัวหนึ่งที่จะเทียบกันได้ชัดชัด แต่ถ้าเมื่ อ, อไรเราคุ้นเคยกับจิตผู้รูนะ้จิตผู้รู้นี่ไม่มีน้ำหนักเลยนะเราจะรู้ว่าตรงนี้หนักตรงนี้ยังทุกข์อยู่แต่ถ้าไปพบจิตผู้รู้แล้วก็จะพบว่ามันคนละอย่างกันลองหยุดปฏิบัติซิลองหยุดเลยนะทำใจให้สบายเลิกเลิกปฏิบัติตรงนี้ทหาก เ, เห็นไมมันเาห ว, วานรู้ไม ไม่อตรงตะเกียรเราสร้างโลกขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าโลกของนักปฏิบัติเอนั่นหลงนะรู้ตัวอยู่ที่ตรงนี้เขาเมื่อกี้หลงแล้วก็ใครบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องแนละ้วบอกไม่หลงหรอก <c oughs> มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ข้างในอย่างนั้นจิต ท, ที่รู้ตัวมันอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมมันเบิกบาน <c oughs> นี่แหละผู้รู้พูดขึ้นผู้เบิกบานมันอยู่ตรงนี้ นั่นเป็นผู้เคร่งเครียดผู้เอาเป็นเอาตายไม่ใช่ผู้รู้ผู้สื่นผู้เบิกบานย า, ยากนะยากถึงขนาดพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วคิดจะไม่สอนนะแต่ว่าไม่ยากเกินภูมิปัญญาของมนุษย์นะมันยากตอนนี้ก็เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเอง เหมือนคนไม่เคยขยี่จักรยานที่ขีเรายากๆคนไหนมันขี่เพลนแล้วน้ําปล่อยมือยังไม่ล้มเลยาการจะให้จิตรู้สึกตัวก็เหมือนกันใหม่ๆนะั่ล้มลุกคลุกคลานมีคุณยายคนหนึ่งมีในทีมนี้อายุ85ชื่ออะไรด็อเอร์พยาวอาจารย์พยาวอายุ 8, 84เป็นอธิการสนสุนันทานเก่าเรียน3วันก็จิตตื่นเลย นะปฏิบัติคร่องแคล่วชำนิชำนาญมากเลยแต่นั้นช่วยคุณแม่สิริสอนอยู่หลายปีแล้วพอแกจับหลักได้ว่าสติจริงๆเป็นไงนะจะไปริ้วเลยมีอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันด็อกเตอร์รู้สึกเก่งๆหลายคนช <c oughs> <c oughs> ื่อด็อกเตอร์บรรจงอยู่อเมริกาเนะขา อ, อ่านวิมุตปฏิบปัญญาอ่านในเน็ตนะ อาแจะในเน็ตถึงเขาก็เขาทํามาเชียวมาถึงเ้าก็เอาเก้าอี้มานั่งเขาอยู่เมืองนอกนานเขานั่งอย่างพวกเราไม่เป็นขอนั่งเก้าอีอ้นั่นเขาก็ถึงเขาก็ผมขออนุ ญ, ญาตถามชี้หน้าตัวเองที่ผมทําอยู่นี่ถูกหรือ ย, ยังที่ผมทําอยู่นี่ถูกหรือ ย, ยังมาบอกผิดผิดตรงที่ยังตั้งใจทําอยู่นั่นแหละโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้ทําง่าย รู้สึกตัวไม่ได้ทำอะไรรู้สึกตัวไม่ได้ทำอะไรนะการเจริญสติไม่ได้ทำอะไรแต่รู้ว่าตอนนี้จิตใจแอบไปทำอะไรนะเราไม่ได้ทำาสียเองนะแต่ใ จ, ใจแอบไปทำอะไรรู้ทันมันไหนหะนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมพอจะเข้าใจไหมนะ คือต้องรู้จักสภาวะเนี่ยถ้ารู้จักสภาวะของรู้ของจิตพุทธะของรู้แล้วเนี่ยไปอ่านพิษธระมาเขียนใหม่ความเข้าใจจะเปลีป่ยนไปอีกอย่างหนึ่งใครใครอ่านแล้วบอกรู้เรื่องทุกคนแหละแต่รู้คนละเรื่องแต่ตอนเข้าใจแลนะอาจารย์วอาจารย์บ้ที่ว่าเราตรวจสอบ คือจริงๆไม่ทําไม่ทําแต่ว่าใจเรามันแอบไปทําใจมันแอบไปคิดดีคิดร้ายนะใจเราแอบไปเป็นตัวต่างๆอย่างเมกี้เนี้ยแต่ใครรู้ทันตอนที่มันหนีไปเป็นตัวอะไรหนีเป็นตัวอะไรตอนเนี้เห็นไหมเห็นไหมอย่างเนี้ยเราหัดรู้อย่างนี้นะ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เลยตัวนี้ยเข้าใจยากมากถ้าอ่านเยอะๆคงทีงงเหมือนกัน <c oughs> อ่านแล้วนึกว่าเข้าใจแล้วนะมีเยอะเลยนะมีพระองค์หนึ่งมาจากไหนสมารลืมแล้วเป็นไหนหรือเปล่าวันนี้ มีพระงหนึ่งท่านเข้ามาที่นี่บอกท่านไปอ่านแล้วที่ท่านอาจารย์เขียนเนีบอกไปอ่านมาแล้ผมทําได้หมดเลยท่านเขียนเรื่องพบผู้รู้ทําลายผู้รู้ผมทําลายหมดแล้วบอกท่านนอะทําลายสติไปหมดแล้วสติท่านแตกแล้วท่านไม่ได้ทําลายผู้รู้เนะนี้มวลมานั่งนี่หายใจไว้หายใจไว้อย่หยุดนะหายใจแรงๆไว้หายใจแล้วรู้สึกตัวไว้ท่านจะบ้าแล้วจิตใจกระเจิงกระเจิงแบบ ก็ อ, อยู่ๆไปทำลายสติทิ้งนแล้วนี่อ่านหนังสืออันตลายเหมือนกันนะนึกว่าเข้าใจไม่เข้าใจมันเข้าสมองจะเข้าใจนี่ใจต้องตื่นขึ้นมาธรรมะถึงจะเข้าสู่ใจได้ชิดอยู่ทราบไหมนะเนี่ยหัดหัดสังเกตตัวเองอย่างนี้นะหัดสังเกตบางทีเขาก็หลงไป แหมหลงไปคิดถึงบุญกุศลปราบเริ่มอาทิคเลยเนี่ยเป็นมนุษย์สเทโวแ ล, ล้วหลงไปคิดถึงสมมติโรกสุด้ายไม่ดีเลยหมุดหงิดทิคแล้วนี่ตกนโลกหนึ่งทีอะไรเงี้ยต่ทิคทิคทิคแลออ้วมันดูจะไปที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่ามนุษย์แล้วก็เทวดาแล้วก็พรหมเนี่ยส่วนใหญ่นะไปอบาย ที่ว่าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นไปนี้มีไม่มากเป็น ม, มากไปอภัยกันใจลอยแล้วรู้ไหมคิดดีๆนะคิดดีๆก็มีความสุขก็ไปที่ดีๆเกิดดีๆนะเราแล้แต่เราต้องการธรรมะระดับไหน เราต้องการไปเกิดดีดีเราก็คิดในเรื่องดีแล้วน้อมใจไปเรื่องบุญเรื่องกุศลไว้อาตมาเคยไปตอนนั้นไปลำปางนี่แหละไปสัมมนาอะไรเงี้ยราชการแต่ก่อนสัมมนาแล้วก็คือเขาต้องกินเลี้ยงเราหนีทุกทีเลยมึงกินอะไรของมันตั้งหลายชั่วโมงเสียวเวลานะหนีหนีไปสุสานไตรักษณ์นะหลวงพ่อเกษมดังไปดูท่านซะหน่อยไม่เิยเจอท่าน ไปถึงลูกศิษย์ท่านก็บอกท่านไม่รับแขกวันนี้วันพระท่านตั้งปณิธานไว้ไม่รับแขกเด็ดขาดไม่เปิดประตูด้วยกลับนิ้วตรงนี้บอกลูกศิษย์บอกว่าไม่เป็นไรงั้นผมขอนั่งเล่นสักพักหนึ่งนั่งแล้วก็แอ บ, บไปดูหลวงพ่อกเกษมเพราะว่าท่านเล่นกระสินไฟนี่จะดูซิ่ง้าภูมิธรรมท่านเป็นยังไงท่านไม่ให้ดูท่านยันกลับมา ท่านดันไปดันมาอยู่พักนะึงท่านก็ให้ลูกศิดนอะ่ะมาถามว่ามาจากไหนจริงนั่งห่างนะใจกุฏิท่านพราะท่านเก่งถูกท่านยันมาจนกระดูกดิบไม่ได้เลยบอกท่านในใจยอมแพ้แล้วหลวงพ่อกำลังฝึกปลือเรานิดเดียวกำลังฝึกปลือท่านหลายสิบปีท่านยานันกลับมาไปดิกไม่ได้เลยตัวแข็งเลยก็บอกยอมแพ้แล้วหลวงพ่อนะ ท่านท่านก็ปล่อยเลยครับผมก็ยอมแล้วให้ลูกศิษยมาเรียกไปแล้วก็ลูกศิษก็บอกว่าท่านท่านส้างสัจจะไม่รับแขกนะเพราะงั้นไม่ถือว่าเป็นการรับแขกไม่รับญาติโยมให้ไปนั่งที่ระเบียงท่าน่ะระเบียงกุฏิท่านแล้วท่านก็เปิดประตูห้องท่านนั่งห่างกันแค่เนี้ยก็ปรับท่านท่านก็เทศให้ฟัง ก็เอ้ยก็ไก่เขาใครอยู่ในเล้ า, เ, ล เ, า, ขาเขาควดกขาเล่าเขาไปเข้านาโอ้ยฟังก็กลุ่มใจตายหลวงพ่อหลวงพ่อนี่นะมีชื่อเสียงมากเลยทาไมหลวงพ่อเทศอย่างนี้เดี๋ยวคนต่างศาสนามันได้ยินนี่นมันดูถูกศาสนาพุทธตายเลยฟังก็ไก่ยันหอนุ่งด้วยควาปลุ่มใจเป็นหน้าเพาท่านเทศให้ฟังก็เอ้ยก็ไกเลยเนี่นะ พ้าท่าน เ, เทศอย่างอื่นตอบอีกันนะล้วนแต่เป็นคากรอนแปลกๆ ล, ล้วก็นั่งฟังเรื่องคกลุ้มใจพอลงท้ายนั้นยิ้มหวานเลยยิ้มประทับใจในชีวิตนะไม่ลืมพูดอีกสองประโยคคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายเอานะ้าอแล้วสู้ได้จแจกขนมฟังแกริบวนนิ่งนยะ่างง้พอฟังสองประโยคนี้นั้นระ้องเลย โอ้ตอนนี้เราคิดไม่ดีเราใจไม่เย็นแล้วเรากุ่มใจใมถ้าคิดดีแล้วใจเย็นคือคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยใจเย็นคิดไม่เป็นแล้วเย็นสบายเลยนะเย็นสบายเป็นชื่อของความดับสนิทสภาวะที่พ้นจากความคิดนึกปรุงแต่ถ้าเข้าถึงสภาวะนั้นก็ดับสนิทเย็นสบายคือตัวนิพพานดูโดนท่านหลอกเอาไหยหลังเลย เราก็ว่าเราภาวนาเก่งเนอะแต่ก่อ น, นก็ลงตัวอยู่เมื่อเราก็เก่งเหมือนกันไปแย่ท่านถูกท่านหลอกเราก็ไก่ก็ไข่ไม่หลอกเราให้เราคิดร้ายาเราคิดร้ายแล้วถ้าจะตอบก็ให้คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายแกดขนมปังนะ แกริบบิ้นแต่มาดึกละอิ่วพอดีทานขนมปังไปถือเหลือแต่ริบบิ้นถือลงมาไม่ทราบว่าท่านจะมาให้ทําอะไรคนเขามารออยู่ข้างล่างเยอะเลยเขาแยกเอาริบบินไปแล้วเขาก็ไหวใหญ่เลยขนมปังศักดิ์สิทธิ์กินก็ไมได้ยังไงเขาจะเอาไปบูชาต่างหากนะคงรู้ตัวไอ้หมอนี่ตะกร้าสุดขีด เข้าใจไหมเนื่องคิดอ่ะนะคิดแล้วมันก็อย่างนี้แหละคิดดีๆนะก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีคิดไร้ายๆไปสู่ภพภูมิที่ร้ายมีสติสัมปชัญญะรู้ทันความคิดนึกปรุงแต่งความคิดเนึกปรุงแต่งขาดลงไปจิตพ้นความคิดนึกปรุงแต่งก็สบายเลยธรรมะ ม, มันคนละขั้นกันเกิดเป็นอะไรแล้ว แม้ชาติที่เกิดดีหน่อยคิดทางดีๆคิดร่าเริงในธรรมะใส่ช่องมนุษย์สเทโวไว้มันหลงนั่นแหละอย่างเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราคิด ว่าเอ๊ะทไปเพื่อให้รู้กายชัดๆรู้เวทนาชัดๆัดใช่ไหมรู้จิตรู้ธรรมชัดๆใช่ไห ม, ไ, หมไม่ใช่นะอัตถกถาสติปัฏฐานท่านสอนไม่ชัดเลยทําสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นพระรองเป็นนางรองไม่ใช่นางเอกไม่ใช่พระเอกพระเอกนางเอกคือความมีสติสัมปชัญญะ พเรามีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอเสมออกุนสนเกิดขึ้นไม่ได้นะจิตใจก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกจากอักุนสนตัวแค่รู้กายรู้เวทนากายเน่าออ ก, กายเปื่อยอครอย่นี้มันมันต้นทางมากๆากเลยท่านสอนบอกว่าเราทำเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะนี่พอมีสติสัมปชัญญะมากเข้ามากเข้ า, า, เ, ขาเราจะพบอะไรที่อัศจรรย์มาก ก็คือว่าทุกครั้งที่เราเอาสติไปกำหนดรู้อารมณ์ความทุกข์จะเกิดขึ้นนะประหลาดมากเลยจงใจไปพุโทโธก็ทุกจงใจไปกำหนดลมหายใจก็ทุกจงใจไปรู้ท้องท้องท้องยุครู้ยกเทา้าย่างเทา้า